ธรรมชาดกแผ่นที่สลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองกันยายน2550มีชื่อเรื่องว่าพระอบทองคำรสึกว่าความรูโบล้านหมไปพวก ชาวไฮชาวหน้านี่ยมิ่งนี่ยสังเกตหลายอย่างเลยขันเห็นงูมู้จงอ่างไข่จริงๆเขาก็บอกว่าฝนชุบโต๊กเนี่นในช่วงเห็นไข่งูจงอ่างงูจงอ่างฟักไข่ขันเห็นไก่ปลาฟักไข่ขึ้กันขันกำลังหนาฝนกําลังที่ดำไฮดำหน้าเห็นไก่ฟักไขนะ่เนาะฝนบปต๊กตกช่วงเนี่ยสินซัดมันหูแสดงว่ามันช่วงที่มันว่างฝนนะั่นน่ะไก่มันไข่ขึ้นมามันกคือฟักไข่ของมัน มันโหแล้วเพราะฝนชีบโตก๊กมันคอยฟักไข่ของมันมอันนี้คนโบราณเขาสอบสังเกตมันมบ่าท้าฝนชิต๊กบ้านเลยอ่าขั้นฝนชีโต๊กนี่พวกมดฝ น, นไปมดหลินตัวใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มดต่างๆเนี่ยมันจะขนไข่ขึ้นไปทั้งสูงหมดไปขาบไข่ขึ้นทั้งสูงก็ว่าขาบไข่ขึ้นทั้งจอมปวกมั้งใช่ไหมคือหันหันหันหัวขึ้นทั้งสูงหมดไปหันหนาทั้งสูง อันนี้โอ้ราว่างเน้อท่านฝนสิตกเล้ว่าท่นเบิ้งขาดพวกหมดพวกอย่างข่าบไครขนออกจากทีลุ่มแล้วคานาวา่าทขั้นพวกขั้นพวกหมดเนี่ยขนลงไปนี่ทีตำมันไปไปทีลุ่มลุมมองที่มันชุมช่มชุ่มชื้นๆเขวบอกโอ้ยฝนสีแรงเน้อท่านแสดงว่ามดมันขนใครขนห้างมันลงไปหมองตาําเพื่อมันจะได้กินน้ำ เพื่อจะได้ใครของมันจะได้ชุ่มชื่นฝนสีเป็นวักไปเดอ้อแง่จจงสี่ล้วเนไปก็แมนแมนความผู้ถ่าเนี่กืบทอดกันมากเลแหนเราวอกความรู้โบรันมันไปบาดหายยามเดือนหกเดือนเจ็ดปนฝ้าสีไม้ฝน ส, สีไม้สีมาเนี่ยมันไปดีเริ่มฝนะ้าไม้ฝนไ ม, ไม้เดืนเอนหกเดือนพฤษภาคมีทูน่าฝนยังวัท่านมาแล่นหน่อยมันมีได้นีทองหัวปมุมือนี่น แล่นหน่อยเง้ยเอาประมาณจะคืบกว่าๆนี่บานให้ไปจับไปจับแล่นน่อยขึ้นมาจับม้าเบื้องหางมันวันไปเออแล่นหางแล่นก็บอกได้วันไปเป็นหมอเป็นหมอเดาของโบรั น, นหางแล่นเนี่ยเขบอกว่าต้นปีคือต้นหางของมันนไปถ้ามันการแลลายเนี่ยโอ้เดือนนี่เขาว่าเลเดือน เ, อเดือนหกเดือนเจ็ดนี่ฝนจะแรง อหางมันการหลายเหมือนเดือนเจ็ดเดือนแปดหางมันดําเนี่ยฝนชีแห้งฝนสิแเล็งเดือนนี้นะบัตหางปลายหางมันแบบเนี่ยปลายหางมันแดงมันไปโอ้เดือ น, นสิบเอ็ดเด้อท่านให้สุกักน้ำไม่ได้ท่านหางแล่นบอกเลยว่าปลายหางมันเนี่ยมันแดงฝนสิแเล็งปลายปีได้ปีนี้มาท่านขั้นหายปลายหางมันดํามันออกไปจะแดงฝนชิลากหลาปีนี้อ่ หางแล่นบอกเนแต่หลวงพ่อหลวงพ่อก็มิจะฟังวันเดียไปผู้เฒ่าว่าอย่างนั่นเลยหลวงพ่อก็เป็นลูกเป็นหลานวันเดียไปลูกหลานบ้านนอกวันไปหลวงพ่อก็ฟังคือกันันเดีไปคือคือความผู้เฒ่าคือกันนะะอืมคือกันกับหมอดูหมอเดาอย่งบ้านนั่นนะอขันไปหาหมอดูหมอดูกี่ตัวชไหมคือคือเดีววันเดีไปเออหมออยัางก็คือคือวันเดียไป บอกให้มันคืบวนลงไปบอกคือก็บอกให้มันคืบวนลงไปเจ้ามาเนี่เจ้าถือม้ากัดเจ้าสิบอกหน้าบอกเคยมากัดเนาะสิโอยบอกกัดกระเฮาแล้วสิมันก็บอกคอยเฮานาค่อยไปใส่ก็ได้บอกเฮาก็เลี้ยวเบิ้งแล้วเป็นยังว่าเอาจ้ามันถือคนวนไปเออมาบอกเลี้ยวเบิ้งก็โพดไปแล้วแม่บอก้นเฮาออืขนาดมาบอกเลี้ยวเบิ <en> ้งวนไปนี่แหละหมอดูหมอเดาเป็นทิ้งสันนละ ว่าให้มันถกอวันออกไปว่จาจนมันถือ ก, กับใจคนผูกไปเบึงวันออกไปเพราะนั่นจะไปหายเสื้อเด้อเสือเส้อกมเสือเส้อกมเสื้อการกระท่ำของเฮ้าเนี่ยทำดีได้ดีทำซัวได้ซัวนะฮ่ทำซัวได้ซัวทำดีได้ดีวันออไปบางคนก็ะเจีเถียงขึ้นมาโอ้ยบ่แมนดอกเศร้าเบาใจแล้วเป็นยังเอา้าผูา้แทนนี่ยนะอ้าวฮู้จ้ากี่แล้วทำซัวไปหาจางข้นมาหาแล้วก็ยังได้ดีอยนี้เลยเป็นผู้แท่น บาหาคนที่ปจ่าลงลองๆวัดบัวใดเป็นผู้แท่นนะสิเนี่ยคนทําดีบัวใดดีได้ไหมสิบาฮาผู้ทาชั่วนี่ได้ผู้จักไี้แล้วการไปซื่อเสียงเอาเงินไปซื่อเสียงชาวบ้านบาหาแล้วได้เป็นผู้แทนเนี่ยหลวงพอ่อยิ่เศร้าววได้แล้วการว่าเฮาววไปยังสี่แล้วบาหาได้เป็นผู้แทนกระเตะบัตรฮาเขาจับได้ไล่ท่านบาฮานี่เขาไล่เบี้ยเข า, เเขามากกันหอยนางจุกปุกน้าตายพลังน้าตาไหลขึ้นกันน่ะ เสียเงินไปเท่าไหร่น่ะกรรมให้ผลพระพุทธเจ้าพันวานกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผานเมื่อภายหลังเพราะนั้นสิ่งที่มั่นชัวอย่าไปหาเหตุเหตุเข้าไปเลยมันก็เดือดร้อนเจ้าของอายชีโพหูก็าตามไปผลไปลักไปบไปขโมยไฟวจ้าของฉลาดน่แหละทีแรกบาทางก็จับไล จับได้ไล่ท่านบาตเนี้ยเขาจับเขาคุกซะบาตเนี่ยตาเหลือมแมปแมปอย่างคนนะทั้งที่เงินคําทรัพย์สมบัติหามาไว้ล้วงหลายกระจุยกระจายไปมดัดชีวิตนั่นทั้งชีวิตหล่มละลายไปเลยออกว่ากลับมาจากคุกเพื่องหนา้าเพื่องตาไปขบทัวบาตรอยากอายเทศบานเท้เมืองเขาเนี่ยแหะกรรมชั่วมันให้ผลยังสัน่นเพราะนั้นกรรมชั่วในายาเห็ดเห็ดที่มันชั่วเห็ดแต่แนวดีๆเอ้ อยู่ในขอบในครั้วในบ้านในเมืองเฮตุคือบ้านคือเมืองของคนทำมากค่าขายถึงจะมีหน่อยมีมากกเออพยายามประคับประคองของไปให้หูจักหาให้หูจักเก็บให้หูจักใช่ในรักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพันสอนหนงสันเด้ให้มันขยันเน้อเด้เงื่อนมาแล้วให้แบงเป็นส่วนชุนให้รักษาเอาไว้ให้แบงเป็นส่วนชุนส่วนหนึงก็ให้เก็บไว้ส่วนหนึงก็ให้เลี้ยงชีวิตเจ้าของชีวิตประจําวัน ชวนหนึ่งก็ให้บูชาติเทวดาขึ่งให้พอ่อให้แม่ให้ผู้มีพระคุณ้ส่วนหนึ่งก็ให้ทําบุญทําท่านไปแนะ่เพื่อกินในอนาคตโมแมนเกิดมาเลยชาติเดียวตายแลยสูตรโมเมนเน้คนเฮาเกิดมาเลยชาติหนาก็ดจิมีอีกอยู่ขนาวาเฮาบ่ได้สร้างสมบุญเอาไว้บ่ได้ทาบุญเอาไว้เกิดมาพบหนายชาติหนากะทีตกทุกข์ใดยาก สี่ตำหนิไผ่ระบาดไงสี่ตำหนิผู้นันผู้นี่ก็บบัได้เด็กเป็นอยังผู้นันจังรุ่ยผู้นี่จังจนเกิดมาในทองแม่เดียวกันก็ยังบวกลูกันนะยังคนในขังพระพุทธเจ้าเศรษฐีเป็นเศรษฐีแล้วสีส่บอกลูกไปบวชวันไปอคือมันมีทองคําพุทธคือในหลังบา้านวันไปจนได้เป็นเศรษฐีอวันไปบมไ่มีผู้ใดมีอวันไป แต่พรพุทขึ้นด้วยบุญเด้พรอพุทขึ้นด้วยบุญในคข้างพระพุทธเจ้าเข้าเนี่ยว่าในสองผัวเมียก็เลยว่ให้มอบไปลูกจะเนาะมอบไปลูกเดี๋ยวพอผมจะไปบวชได้แล้วกันผมเลย ไ, ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเลยร่างกายสังขารเนี่ยเป็นของบะเทียงแทะแน่นอนจักสิลมสิตายเมือ่อใดเขาถืมาเฝ้าสมบัติอยู่นี่ก็เฝ้าไปเดี๋ตายแล้วก็เอาไปนัป่งบ่ใดเพราะนั้นมิทธธรรม คุณงามความดีเท่านั้นอ่ะสิ่จะติดตัวไปนํางไรเพราะนั้นผมสะไปบวชให้เจ้าอยู่บ้านเด้อกับลูกเด้อทั้งแม่บ้านโอ้ยเป็นเจ้าไปบวชคอยก็ไปบวชขึ้นกันเนี่ยจิมาฮะค่ากี่เธอทมน้ำลายให้คอยรักษาบอสแล้วบอสคอยกับจิไปบวชขึ้นกันกับเจ้าน่ะคอยกับจิไปบวชเป็นพิกซูนี่กับแม่ของพระพุทธเจ้านั่งโคตมี่นเจ้าจะไปบวชกับไปคอยกับจิไปบวชขึ้นกันนั่นแหะวาย ขันทีไปบวชจังสันกะเอาจังใดล่ะเอาเอิญลูกมากเลยนะลูกสองคนในะลูกชายพราเอิญมากเลยก็เลยลูกพ่อกับแม่ทีไปบวชเนีให้สุเจ้าบังขอกล้องสมบัติเดือลูกเด้อทั้งลูกชายกัครับกันพ่อแม่ไปบวชผมศ์กิดูแลไห้เสียหายนางนกพอ่อทั้งผู้พ่อก็เลยมาเข็ดคือมามาใดวะเอ้ยท่องข้าที่มันผุดขึ้นมาจากหลังบ้านไง มันเป็นบุญวัาสนาของไผ่สองอ้ายนี่พีชไส่ก็น่องไส่นี่จะเป็นบุญวัาสนาของไผ่บานใ้ผู้พอก็เลยเอาหมักนั่นแหะมักจอบเพชรลนไปเออมักจอบเพชรเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจอบเพชรมันไปเพชรคือมันแข็งแขงเฮ็ดเตะไปเฮ็ดที่เป็นจอบมันไปสําหรับขุดขุดผู้เขาทองมันไป แต่ว่าผู้พอในคุดติเติบปลอดออไปคือกันกับคุ ด, ดินเหนียวเนี่ยแะใส่เติบปลดงัดมาๆที่เอาไปเทอาได้ก็ได้ว่ะบอมีทางมดวัดลงไปเนีสี่ไฮไพก็ได้ท่องคํานี่ยไปบาฮนี่ก็เลยผู้พอก็เลยเอิญมาทั้งสองอายวะเนาะ อ, ยอายใหญ่ก็อายหน่อยเอาแต่ตัง้งคิดอธิษฐานเนี่ยคันนะว่าเป็นบุญบา ร, รมีเป็นบุญกุศลที่ได้สังสมมากพอ ท่องข่ำเนี่เกิดมาโดยบุญเด้เนี่ยผู้พอมากถึงแมา่สางบ้านมองนี้ท่องข่ํากับคุดขึ้นมาในหลังบ้า น, นของพอขันหางว่าเป็นบุญวาสนาของผู้ใดในสองพี่น้องเนี่ยให้คุดปังนุกมาสั่นทั้งผู้พอกับตั้งจิตให้ลูกชายผู้ให ญ, ญ่ตั้งจิตอธิฐานวัน่งพ่อตั้งจิตอธิฐานใส่กับใกับคุด ป, ปุ๊บไปเบิงเลยเลยไปเด่นพา ง, า ง, งรางเลยวันหน่งไปคุดบ่อใดวันหนึ่ง อ่บุคือพอขุดลงไปทั้งภูพอก็ได้ให้นนองไส้ผูหน่อยอผููน่อยขุดด้วยว่สนเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานน่ะบกเท้าเด้อว่าสันเนี่ ย, ยนนะ อ, อ่าทางน่องไส้หน้อยเนี่ยขุดจบลงไปงัดพวดคือกันก็พอขุดลงไปเอ่าพ่อป่านขุดดินเดียว่งไปเอ่ท้องคําพ่อป่านขุดดินเหนียวลงไปเอออันนี้คงจะเป็นบุญบา ร, รมีเป็นทรัพย์สมบัติของผููนอนะ่องเนอะอ่เพราะนั้น คณะวา่าจะหมอกห้ผู้พี่นี่ท่องข้ามเลต้องหายเนี่ยผู้เขาท่องนลยต้องอันตรธานหายแน่แน่เพราะนั้นให้น่องรักษาเนาะอะไรจะเบิงเบิงให้เบิงพีเนาะให้ดูแลพีเนาะคงจะเป็นบุญของเจ้านะ่ะเอาพอกับแม่หมอกสมบัติอันนี้ให้แก่เจ้านะ่ะลูกเนาะให้ดูแล ก, กันเนาะบาตนี้พ่อจะไปบวชแล้วเนาะบัตผู้พ่อก็เลยไปบวชกับแม่นะ่ะพอก็ไปบวชกับพระโพธิเจ้าอผู้แม่เนียไปบวชกับนางโคตรมี ภิกจุนีวันหไปก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่นหนึ่งไปเป็นมาจังไได้บ้างนี้ยเป็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นว่าบุพกรรมของสองตาแยกเนี่ยเป็นว่าสมัยหนึ่ง <promotions> สมัยหนึ่งสองตาแยกเนี่เป็นช่างท่องวันหนึ่งเป็นช่างทองบหานี่พระพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ลุกสมัยขั้งพระพุทธเจ้ากัจจปาไปพระพุทธในกลับนี่มีอยูหาพระองค์เนี่กะกุสชนโธองค์หนึ่งโกณคัโนองค์หนึ่ง กัจโปองงหนึ่งโคตโมนคือพระพุทธเจ้าของข้าวโคตโมนอริยะเมตตโยนคือพระศีอ่านเข้าไปพระศีอ่านคือภาษีอริยะเมตไตรยมัตต์พา่ายภาคหนาในยมทันมาแต่พวกข้าพวพ ร, ร, ระโคตโมตะวกรงนะพระโคตโมทีก่กรมัตต์มาตต์มัตต์สรุปพระกรพระโคตโมนคือพระกัจโสะเข้าไปพระพุทธเจ้ากัจโปะกัจปาเข้ไปกัจโปสิทิสัมปันโนะ บ้านในเพิ่นมาตัดบ้านเี่เพิ่มมาานกะปรินีพานอายุเพิ่นยื่นได้สองหมืนปีเด้เหมือนเป็นยุคเป็นสมัยเด้อแต่พระเทเจ้าของห่อเนี่เป็นอายุร้อยปีอ่เป็นอายุไขวนไปอันนั้นเป็นสองหมืนปีเป็นอายุไขพอเพิ่นปรินีพานมาเนี่ยเขาก็ไปชุ่มเพ่งถวายพระเพ่งเพิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยสั่งพระาธาตุสั่งพระาธาตุกินมาแล้วบ้านเนี่ยเขาอยากได้พระอบทองคํำมาเนี่ เออเพื่อนก็เฮ็ดมาเฮ็ดมาแต่ก็ยังขาดอยู่หนังคงจะเป็นพระอบลายอันมัน้งยังขาดาอยู่พระอบท้องคําเออพระหันองค์หนึ่งเพื่นก็เลย เ, เป็นกะจิลงเพื่นก็สิเร่งย่านเบางนาวัดทอดไปตายายไหนไผ ส, สิสิเฮ็ดพระอบหายหายท้องคำหายอีกเพกื่อนก็เร่งไปเห็นสองตายายนอนลงไปสองผัวเมียลานท้องเนีบอกว่าสองผัวเมียลานท้องเนี่ยคือสิเฮ็ดไดๆอยู่มั้ง คงจะบวชนักหนาเหมือนพลว่าพ ร, พระอราหารนันต์เพิ่งก็เลยเข้าไปเข้าไปเข้าไป ย, ย่อมเามือนไงอาตมา อ, อยากได้พระธาตุมันยังขาดอยู่พระอบไซพระปลุมสาลีลิขิาธิของพระพุทธเจ้าของเฮายังขาดอยู่ขันว่าเป็นไปได้กัย่อมเฉพาะเหตุดได้เพราะขันเหตุดได้กับก็ดีนะเป็นบุญเป็นกุศล เออเพื่อบรรจุพ ป, ปุโรหลสาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้ากัจจปะของเฮ้านี่แหละกําลังสางโยกําลังรวบรวบนั้นกันอยู่เรื่องพระอบพระธาตุเนี่ยสองตายาย่าิพันเนี่ยสองผัวเมียพันกําลังพิดกันโยนะพยายามไม่พิดเรื่องใดกระโปงนัวนไปอบ้าในผู้ผัวพนันก็กำลังเขียดหิเมียเมียกำลังเบาให้ผัวลงไป ปัญาในพระนนพเข้าไ ป, ไปไปไปสมโลงเขาอีกวานนี้กําลังบูดโยนออกไปทั้งผู้ผัวเนี่ก็เลยเบอกเฮ้ยมันหายากทำแต่กระดูกนั่นแ่ะเอ่อออกเป็นรอยน้ำซึมก็แล้วตอนจะมาหาใช้ปอบพระเอฟอปเหียงว่าจนได้มาหายุงพระนี่ผนว่ะเด้เออเกิดโมโหขึ้นมาเลยด่าหอดพระไปย่มโมโหลงไปมาหาในพระเอานังพระกรยจิบออกไปแล้วมันเป็นพระรหานต์เนี่มันก็หูจักอยู่แล้วว่ามันจะต้องได้กันออกไปเออพยายามออกไป พ่อยางออกไปท่านี่ทั้งผู้เมียเขาบอกว่าเจ้าเนี่ยเฮ็ดดาจะไหนไปหาบอกกระพระส่งองค์ขาเจ้าเพื่อนกับมาเมาดีๆกระดูกพรอพูดไอ้เจ้าเจ้าจะเห็นล้อยกระดูกพรอพูดไอ้เจ้าน้องน้ำบาดโทษเจ้าแม่นเจ้าสีเป็นบาปเป็นกุศลแต่เนาะเจ้านี่เนาะเจ้ามันสร้างว่าทิงสี่เจ้ามันจังคิดถึงสี่มันจังเจ้าจังพูดถึงสี่ใดบาดโทษผู้ผัวก็เลยสำนึกใจว่าโอ้แมนอีิลีว ยา่างโขมู้โหมกับโผดไปแล้วกูเหนียวท่านเอาเทวิจิห์เห็ดให้มันตีบัตรเนียวท่านป๊บปั๊บขึ้นมากเลยเอาสร้างท่องมาเจ้าของกับเขาไปตูแลเฮ็ดย่างดีคนไปเห็ดผอบเฮ็ดยางง่ามอย่างใหญ่อีกตั้งหาคนอไปดีอีกตั้งหากคนอไปเพื่อจะแก้ความผิดเจ้าของเนีเพื่อจะแก้บาปกรรมของเจ้าของคนไปมาหาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็เลย เอาไปถวายพระนั่นแหละพระอรหันต์องค์นั่นแหนนละที่ิพน์ดวบร่วมโยนไปบางก็เลยเอื่นหนุกช่ายง่ายมากมันเลยลูกๆปะ่ะผ้าพอไปเอาท่องข่าเอาพระอบท่องข่าไปถวายพระเนาะที่ิพนมาวาม่นาผมน่ะท่านทั้งลูกช่ายผู้ง่ายเนาะโว้ยผมบอไปแล้วท่ า, าเนเนี่ยผมอยากอายเพื่อนไปหาดาพระได้เจ้าต้นหนาผมกูเห็นเนาะผมจยากอายยผมบ่กกล้าไปนะพอพอพอไปพอไปเองท่าน ลูกไส่ไงมันจะอายได้มันผู้จักความแล้วันหนึ่ไปผพ่อกับพ่อกับแม่ทะเลาะกันน้ำไปด่าพระวันนึ่ไปมาหาลูกไส้ผู้น้อยเนี่ยบอกท่านจกอายได้ว่าเนึ่ไปป่ะลูกไปน้าพอนะลูกเนาะท่านครับท่านพอครับผมไปได้พับพ่อผมไปเป็นเพื่อนเอ่พอไปหอนเลยกันเห็นพระเทลละองนั้นเพิ่งกำลังรวบร่วมประอบท่องข้ามอยู่ผู้พ่อก็าเลยกราบพ่อกราบปรากยกใส่หัวอธิษฐานวันไปก็ให้ลูกไส้หน้อยยก จ็ดอธิษฐานนำการสองพ่อลูกคนไปจากนั่นก็เลยเอาไปถวายพระอรหันต์พระอรหันต์เพื่อรับหายศีลหายพร้มนไปเพื่อจะบรรจุพระปล่มสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสะคไปเสร็จแล้วก็เลยกับมากพ่อกับมากเนี่กระดำลงคงชีพทำมากฆ่าขายพ่อตายึ้นมากไปสู่สวรรค์คนไปพอตกจากสวรรค์มากนี่มาเกิดมานี่ เกิดบาดใดนี <S an> ่เขาเอาลองหวยคู่เถื่อเล็วหนึ่งไปพอเกิดขึ้นมากเขาก็จับหยัดไสตะการใช่ไหมลอยแพร่เล็วหนึ่งไปพอพอนว่าเฮ็ดหยากอย่างกระดูกพวกพุทธเจ้าเอาไปลอยแพร่ก็ได้ต่อเอาไปลอยน้ำก็ได้เยอะจังมากหยากหนุ่งยากอย่างกระดูกเด็กหนุ่งยากทั่วบ้านทั่วเมืองพอนว่าพอนบอกบ่าพอนเกิดมาบาดเองเก็ดได้พอเกิดขึ้นมากเขาก็ไสตะกา เออใส่กระมังร้อยนำน้ำคู่เธอเลยรวนลงไปจนมาถึงขังพระพุทธเจ้าของเข้ากษัริยนี่ก็ร้อยขึ้นกันเดียวลงไปเกิดมาเลยกัลูกเศรษฐีบดยต้องการลูกวนไปเขาก็เลยหาตะกามาเลยก็พ่อคลอดลูกก็มา ก, กับจับยัดเจติกากิดเห็ดพวงมาไล่ใส่ใช้เป็นดอกกล้วยหม่งดอกกล้วยหม้เห็ดเนีมันงามวนลงไปให้ท่าสีไปเอาไปร้อยล่องห่วยวเอาทันเออกงจะไปลองนําโค้งหรือลอง นำสี่นำมุ้นหรือสนากเองบ้านนี้เด็กสาวทั้งหลายค น, คนทั้งหลายไปอาบน้ำพ่อไปเห็นไงเห็นแต่ตะกาน่ยล่ออังลางอังลางเมาน่ยไปเตตะกาดอกไม้หมดไปเมันอกี้จะเป่นกำหรืมันอ ก, นะกี้ขันเขามาหาคน้นหมดไปหมุนก็มาหาคนคนกันเลยบอกโอ้ยตะกาเนี่ยเป็นของฉั้นมาสั่นเลยพูดในว่ า, นนวาของในตะกาเป็นของฉันนมาสั่นเลยฝนในช่วยก็เลยเด็กหน่อยอมันไม่หน่อยหรอวะเป็น ผู้หญิงนะ่ะก็เลยผู้หนึ่งได้ตาเก่าผู้นึ่งพระดเด็กหน่อยบ้านเนี่ยก็เลยเออกมาเลี้ยงไว้คนนั้นนี่แหละอพอออกมาเลี้ยงไว้ึ้นมาพ่อใหญ่อายุเจ็ดปีก็เลยฝากให้พระมหากระจายชนะมหากระจายชนะที่ว่าพุ่งใหญ่ๆที่ลุ่มรวยที่เขาเห็นนะพระมหากระจายชนะองค์นั่นแหละให้มอบให้เป็นลูกศิษย์นะท่านเลยให้เป็นเนี่หน่อยของหลวงพอ่อท่านเออะเนี่ยมหากระจายชนะก็เลยไปฝากไว้กับ บ้านคนขายของอนออกไปจากนั้นก็เลยขายของเข้ามาพ่อใหญ่ขึ้นมาไปปลูกป่านพวกเขาท่องก็เลยเกิดขึ้นมาจังสันล ะ, น, ะนี่แหละพลวากล่ากล่กำคือการกระทำบอดีเอาไว้มั่นหายผลจังสันล ะ, ะทำกรรมดีย่อมได้ดีสัวย่อมได้สัวขนาดดากระดูกพระพุทธเจ้ากัสส ป, ปะเท่านั้นเนี่ยยังได้ลองล่อยในแม่น้ำ ม, มาแจวว่าสักเถือนลงไป แต่ว่าถึงอย่งไดบุญเนี่ยบุญยังขำมันออกไปถึงอย่งางใดได้ดีทุกขังมันออกไปเพราะว่าในช่วงนั้นมันบัวเมาที่ท่กรรมชั่วอย่างเดียวเนี่ยทกรรมดีเขาพ่อมันออกไปทั้งดีกับชั่วผสมประสานกันเพราะตาพระแล้ววอกให้พระแล้วก็สํานึกได้มันไปก็เลยได้ทำบุญอีกคนไปเพราะทำบุญนะบุญตอานั้นมักขำมันเนีอยนี่แหละเพวงะนั้นพวกเฮ้าในหลักของพระพุทธศาสนาพันว่า ย่าทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ให้ผลเป็นทุกข์ขนาดดาพระพุทธเจ้าก็จะปากในกระดูกพันลองน้ำหนึงสี่ขึ้นยังตัวเองยังได้รองน้ำพระเจ้าพระักดิ์ภักชาติลงไปอแต่ว่าได้ทำพระอบถวายพระพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลอย่างมากกว่านำไมอย่ว่าผู้เขาท่องเกิดมานบนหลังบ้านอบหานในลูกชายบ้านนี้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านนี้บอทไปร่วมได้เป็นหมดละบอทไปร่วมกับพอได้ อยากอายอย้ยวันไปพอดาภาวันนึงไปไหวโบไปเนี่ผมอยากอายบาหานในเกิดมาพบนี่ชาตินี้กันนี่เนี่ยน่องไส้หลานี่เ น, นี่ยน่องไส้หน่อยเนี่ยเป็นผู้ไปน้าพอนะเป็นผู้รวมวันนึงไปร่วมถ้ำบุญนี่แหละบุญมันเป็นโมเป็นของไผ่เนี่ยพอถ้ำของเราเขาสู้จิตใจของผู้นั้นเป็นบุญบ ร, รมีของผู้นั้นสืบทอดไปน่านเทถาน่านเฮ้ยผูนั้นพัวเข้ายาประมาทให้สร้างสมบุญกุศลเอาไว้ สิ่งที่ใดบอดียาเหตยาธ ร, รมเพราะว่าตายแล้วบมดศูนเนียตายแล้วเกิดอีกพราะพุทธเจ้าของเฮานี่เพิ่นไปพิสูจน์เพิ่งแล้วเนีเพิ่นยังเบาเรื่องโมนีขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเพิ่นลึกถึงอดีตชาติผู้นี้เป็นมาจังใดเนี่เพิ่นจะเบิ้องหุจักมัดอดีตชาติของผู้นี้แต่และดวงวิญญาณนี่กรรมดีกรรมชั่วลุ่มหลุมรอนๆอนสูงสูงต่ำต่ำพู้พนั้นเพิ่นยังบห้ประมาทกันมนุษย์มานาเนี่ยบวชประมาทกัน ขั้นเกิดมาลเห็นเขาทูกอย่าประมาทเขาก็พอได้อพอใดๆคือเกิดเขาเขาล่องมองต่ำบางส่วนเป็นอยังมันยังล่องมองต่ามันยังบุขึ้นมองสูงฮองบางที่ขนที่ขึ้นทงสูงได้กับมันย่างขึ้นไปมันก็ขึ้นมองสูงนไปบางที่ก็ขึ้นช่วงแหละอาจจะล่งต่าอีกก็ได้ไปมันไปเป็นสัตว์แหล่ะลุ่มๆดอนๆช่วงๆต่ําๆการเดินทางการเดินชีวิตของมนุษย์เนี่ยเดือนวิญญาณเนี่ย ใจของมนุษย์ใจของคนนี่มันจีบวได้สมำมำเสมอได้อ่เกิดมาบเม่เป็นสีเสมอไปบ่แมนได้แหมมันมีสูงมีต่ำลุมหลุ ม, ลมดอนๆอนในการดำล่งดวงวิญญาณของพวกเข้าพรลอยนั้นเพ่นวันยังบ่ให้ประมาทกันให้เกื้อกูลนุนกันให้ช่วยเหลือกันพอที่จะช่วยเหลือได้แหมพะฉะนั้นพวกเข้าแหมตายแล้วพอสูญนสรุปแล้วพระพุทธเจ้าเพินหลู่แล้วเห็นแล้วว่าวิญญาณในใจของคนนี่ มันเป็นจังสั่นมันออไปไอ้วัะนั้นผั ว, นนวเข้าออกต้นหยาดโนมนะ้มเน่าให้สร้างสมบุญกุศลใช้จิตใ ส, ใส่ใจของเจ้าของตายแล้วบ่ิสูญธิตายแล้วเกิดอีกคนไปพรอพูดไอเจ้าพลพิสูจน์มาแล้วพ่อแม่คูบาอาจารย์ของเขาก็พิสูจน์นางพ่อวนหน้าเบ่งแล้วเบ่งจิตเบ่งใจใจเป็นไงใจเป็นหัวหนา้าฮะสำเร็จแล้วโดยใจคานว่าใจดีแล้วไอ้พูดออกไปก็ดีการกระทําออกไปก็ดีคานว่าใจบออ่ดี ใจมันโมโหคุณมั่วอยู่ในใจนะเห็นมัล้ล่ะเศรษฐีลานท่องจิตใจมันคุณมั่วในใจพูดออกไปแตพูดบอดีคนพูดให้พระอราหารันยังดีบเตรเตภารหันอีกคนออกไปยังจิบาปกรรมกว่านอีนอันมีแต่พูดแต่เสียวลงไปเนี่าเหตุเพราะเหตุไดเพราใจบอดีเอยใจบอดีก็ได้พูดออกไปในทางบอดีก็เป็นวัจจีกรรมคนไปกายกรรมวัจจีกรรมมนโนกรรมมันมีอย่กรรมการกระทําทําไดสามทัง้ง กายกรรมก็คือการกระทําเนี่ยอจงเอาไปเตะพระรหันแล้วไปถีบพระรหันไปตีพระรหันเขานันล่ะกายกรรมมันกันดาพระรหันจะจืดเนี่ยเป็นบาปเป็นวัจีกรรมมันออกไปแต่เขิดขึ้นมาเนี่ยอื่จิตใจมันคุณม่วนจิตใจมันบริสบายจิตใจมันโกรธโมโหโท่โโขึ้นมาในใจอันนี้พูดว่ามะโนกรรมการทํากรรมทําได้สามทางกายกรรมวมัจีกรรมมโนกรรมพอหนั้นพวกเขาให้ละว่างทั้งกรรมทั้งสมทว่านเลยนะ ให้เป็นผู้สําร่วมระวังนะบุญกุศลจะเขาสู้จิตสู้ใจของพวกเฮ้ามิตรความสงบร่มเย็นเป็นสุกมือนีลงพอกพูดเป็นภาษาบานเฮ้าเพื่อการศึกษาเพื่อแน่วท่างเพื่อให้เป็นคอคิดของพวกเฮ้าท่านทั้งหลายตอนนี้ไปรับพรเนื้อบานีเน้อ